บทที่ห้าสิบสี่นางมนโทโอ้ยปวดปวดเลอเกินหลวงพ่อจ๋าช่วยลูกช้างด้วยสตรีวยรัยสี่สิบเศษนอนร้องครวญคลางอยู่ตรงประตูทางเข้าหลอนสวมผ้าสิ้นสีน้ำตาลเข้มทะว่าท่อนบนเปลยเปล่า ปฐุมฐันข้างหนึ่งใหญ่กว่าปกติประมาณสักสามเท่าของอีกข้างในมือหล่อนถือเสือมาด้วยอาจารย์ชิดกำลังนั่งสมาธิอยู่ได้ยินเสียงร้องครวญครางจึงลืมตาขึ้นดูภาพที่เห็นไม่ได้ทำให้เขาเกิดความกำหนัดยินดีในกรมคุณเพราะหญิงสาวผู้นี้คงอายุรุ่นราวคราวเดียวกับลูกสาวเขาความรู้สึกที่มีตอนหลอน ก็คือสมเพศเวทนารู้ว่าหล่อนจะต้องเป็นมะเร็งที่เต้านมแล้วก็คงเจ็บปวดไม่แพ้มะเร็งต่อมน้ำเหลืองของเขาหนูทำไมไม่ใส่เสื้อให้เรียบร้อยละ่ะมาหาพระหาเจ้าควรแต่งกายให้มิดชิดนะหนูนะบุรุษสูงอายุพูดด้วยเมตตามันใส่ไม่ไหว้จ้ลุงปวดปวดเลอเกินลุงมอเป็นชั้นมั่งสิ จะรู้ว่ามันทรมานแค่ไหนหญิงสาวว่าพรางสะอื้นหักๆลงรู้ทำไมจะไม่รู้นี่ลงก็เป็นมะเร็งที่ต่อมน้ำเหลืองมาห้าปีแล้วปวดอย่างที่หนูปวดนั่นแหละนี่เห็นไหมน้ำเหลืองไหลเยิ้มเลยแล้วก็เม้นเน่าด้วยหนูได้กลิ่นไหมละ่ะเขาชี้แผลที่คอบริเวณใต้กบหู ข้างขวาขณะที่อาจารย์ชิดสนทนาอยู่กับผู้หญิงคนนั้นนายขุนทองก็ตลีตลานขึ้นไปรายงานท่านพระครูเห็นท่าทางล่นลานของอีกฝ่ายหนึ่งนายสมชายจึงออกมาดูและรู้สึกสงสารหล่อนหากในความสงสารนั้นระคนด้วยความกำนัดยินดีตามระษาคนนมที่มาเห็นเพศตรงข้ามเปลือยอกหลุง เร็วๆ เ, เข้านางมนโทนางมนโทในขุนทองละล่มละลักท่านพระครูวางปากกาแล้วถามอะไรของเองอีกละ่ะนางมนโฑ ท, ที่ไหนใช่คนที่เป็นเมียทศการหรือเปล่าท่านเจ้าของกุฏิถามอย่างอารมณ์ดีจะใช่หรือเปล่าหนูไม่รู้สิฮะหลวงลุงไปดูเอาเองดีกว่าเขาร้องหาหลวงลุงอยู่แน่ ท่านพระครูจึงเดินลงมาเห็นสายตาของลูกศิษย์หนุม่มจ้องเขมงอยู่ที่อกหญิงสาวจึงออกอุบายว่าสมชายไปดูยาถิดตากไว้สิว่าแห้งหรือยังถ้ายังก็ให้นั่งเฝ้าไว้จนกว่าจะแห้งเมื่อแห้งแล้วนำไปคั่วเสร็จแล้วก็ต้มน้ำมากาหนึ่งต้มให้เดือดด้วยนะชายหนุ่มจึงลุกออกไป ทั้งแสนเสียดายเดินพลางนึกในใจว่าแม่เจ้าโว้ยทำไมมันทึ่งได้ใหญ่โตขนาดนั้นนี่ของแฟนเราจะได้ครึ่งหรือเปล่าน้อปุตชชนคนหนุ่มคิดคำนึงไปถึงคนรักเห็นท่านเจ้าของกุฏิลงมาหญิงสาวจึงคลานเข้ามาใกล้อาสนะกลาบพลางคลําคกรวนว่าหลวงพ่อช่วยลูกช้างด้วยปวดจะตายอยู่แล้ว หลอนร้องเสียงสะอึกสะอื้นท่านพระครูแผดเมตตาจิตไปให้กระแสแห่งเมตตาทำให้หล่อนรู้สึกว่าความเจ็บปวดนั้นบรรเทาเบาลงใส่เสื้อก่อนหนูนุ่งห่มให้เรียบร้อยไม่ต้องกลัวเดี๋ยวหลวงพ่อจะช่วยท่านพูดอย่างปราณีในขุนทองนั่งคุมเชิงอยู่ใกล้ๆด้วยเกรงว่าหล่อนจะเข้ามาประชิดก็ ดูหลอนเจ็บปวดจนขาดสติออกอย่างนั้นหญิงสาวหยุดสะอื้นเอาเสื้อในมือขึ้นมาใส่แล้วจึงบอกท่านว่าปวดเหลือเกินจะหลงพ่อมันทรมานฉันเหลือเกินอารมณ์บ้าๆเนี่ยหลอนพูดอย่างโกรธแค้นทั้งโกรธทั้งแค้นเจ้าโรคร้ายที่มาคุกคามชีวิตหลอนหนูมาจากไหนเห่าเนี่ยบ้านอยู่ที่ไหน ท่านเจ้าของกุฏิถามโตหลวงพ่อจำฉันไม่ได้หรือส้มปล่อยไงล่ะบ้านอยู่ตรงข้ามวัดนนท์งหล่อนชี้มือไปที่บ้านที่ตั้งอยู่ทางฝั่งหนึ่งของแม่น้ำเจ้าพระยาอ้าวเองหลอกหรือส้มปล่อยแล้วมายังไงล่ะเนี่ยจะเอาวาดวัดป่ามาม่วงถามท่านเห็นนางสาวส้มปล่อยมาตั้งแต่หล่อนยังเป็นเด็กตัวเล็ก เพราะหล่อนมักตามารดามาทำบุญที่วัดนี้ทุกวันพระเพิ่งมาหายหน้าหายตาไปเมื่อห้าหกปีมานี้ฉันมาเรือจ้างจ่ะหลวงพ่อช่วยฉันด้วยเถอะฉันไม่มีเงินไปหาหมอทุกวันนี้ฉันตัวคนเดียวพ่อแม่พี่น้องหายสาบสูญไปหมดแน่ละสิข้าก็ได้ข่าวอยู่เหมือนกันเองเห็นหรือยังล่ะว่า เวรกรรมนั้นมีจริงไม่ต้องรอไปถึงชาติหน้าหรอกจำได้หรือเปล่าว่ยเองทำกรรมอะไรเอาไว้จำไม่ได้จ้ะหลวงพ่อช่วยบอกฉันด้วยเถอะหล่อนว่าอ้าวก็เองทำเองจะไม่ให้ข้าบอกได้ยังไงลองนึกดูตีดีซิฉันขี้เกียจนึกอ่ะหลวงพ่อนึกเผื่อฉันด้วยแล้วช่วยบอกฉันทีว่าจะแก้กรรมได้ยังไง หล่อนพูดง่ายๆนึกโกรธขึ้นมาตงิษฐ์ ต, ตงิษฐ์ตามนิสัยคนที่เจ็บป่วยได้โรคร้ายท่านพระครูไม่ถือสาเพราะมนุษย์ทุกรูปทุกนามย่อมมีธรรมชาติเหมือนกันหมดนั่นคือเมื่อสุข ก, กายใจก็แช่มชื่นรั้นเมื่อทุกกายใจก็เศร้าหมองและมองโลกในแง่ร้ายเหมือนดังนางสาวส้มปล่อยผู้นี้เอาล่ะ เมื่อเองนึกไม่ออกข้าก็จะช่วยนึกให้จำได้หรือเปล่าเมื่อหาหกปีที่ผ่านมาเองเอาลูกหมาใส่เรือมาปล่อยที่ฝั่งนี้แล้วข้าเตือนเองเองก็ไม่เชื่อลูกหมามันยังเล็กยังไม่ทันลืมตาด้วยซ้ำเองก็นำมาปล่อยเสียแล้วข้าบอกให้มันโตอีกหน่อยพอช่วยตัวเองได้เสียก่อนและเองก็เอามันมาปล่อยที่วัด ข้าก็ไม่ว่านี่เอ็งเถียงจอดๆว่าแม่ใช้ให้มาปล่อยรู้ไหมลูกหมาเหล่านั้นมันก่อนนอนตายอยู่ที่ริมหาดนั่นเองข้าเตือนทั้งแม่เองด้วยว่าอย่าไปสร้างเวรสร้างกรรมแม่เองก็ไม่เชื่อค่าแถมโกรธจะเป็นจะตายขนาดไม่ยอมมาทำบุญวัดนี้อีกที่นี่เป็นยังไงล่ะ โดนกดแห่งกรรมเล่นงานทั้งครอบครัวเลยข่ารู้ตลอดเพราะมีคนเข้ามาบอกข่าจะให้เล่าไม่ล่ า, าเกิดอะไรขึ้นอาจารย์ชิดกำลังนั่งสมาธิอยู่ใกล้ๆเขาได้ยินเรื่องที่ท่านพระครูพูดแล้วก็ฟังเพลินจนถึงกับทิ้งพองยุบมาสนใจการสนทนาท่านเจ้าของกุฏิก็พูดขึ้นว่า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 ว่าน อ, อกจากข้าแล้วไม่มีใครช่วยเองได้ถึงเอ็งจะไปหาหมอเขาก็ช่วยเอ็งไม่ได้เอาเหอะเอาเถอะหลวงพ่อก็เล่าไปเถอะก็ฉันไม่มีทางเลือกแล้วนี่ไอหมอไอหมาที่ไหนฉันก็ไม่ไปหามันหรอกไม่มีเงินให้มันสาววัยยี่สิบเศษพูดพลันพานหนูพูดกับพระกับเจ้าควรจะให้สุภาพหน่อย ลุงรู้ว่าหนูหงุดหงิดเพราะความเจ็บปวดถึงลุงเองก็เป็นอย่างหนูมาก่อนแต่ลุงก็พยายามสงบสติอารมณ์ที่หลวงพ่อท่านพูดมาก็จริงของท่านนะนี่ขนาดลุงเป็นมาห้าปีผ่าตัดสองครั้งก็ยังไม่หายลุงก็หวังว่าจะมาตายอยู่ใกล้หลวงพ่อเพิ่งมาได้วันเดียวยังรู้สึกว่าอาการดีขึ้น หนูจะต้องหายแน่เชื่อลุงเฮอะแล้วก็พูดกับท่านให้สุภาพหน่อยชีวิตของหนูอยู่ในกำมือท่านก็ว่าได้เขาเตือนด้วยความหวังดีเพราะคิดว่าหลอนก็เหมือนลูกหลานคนหนึ่งของเขาลุงก็อยู่ส่วนลุงสิมายุ่งอะไรกับฉันละ่ะฉันจะพูดยังไงก็ไม่เห็นไปหนักกระบาลใครหลอนถือโอกาสเล่นงานอาจารย์ชิดเพราะโกรธท่านพระครู อีส้มปล่อยนี่กูชักจะทนไม่ไหวแล้วนะประเดี๋ยวก็ตบล้างน้ำซะนี่จะตายอยู่เรามาล่อและยังมาทำกำแหงเดี๋ยวกูตบสลบแล้วลากไปทิ้งหาดทรายให้ตายอย่างลูกหมานั่นหรอกนายขุนทองพูดอย่างเหลืออดเหลือทนพลางเงื้องาดมือไม้นางสาวส้มปล่อยตกตะลึงอ้าปากค้างเห็นท่าทางเอาจริงของอีกฝ่ายหนึ่งก็ชักกลัว ขุนทองเองไปดูซิที่ครัวนะ่ะสมชายขั่วยาเสร็จหรือยังไปเดี๋ยวนี้เลยท่านเจ้าของกุฏิออกคำสั่งคิดไม่ทันคาดไม่ถึงว่าหลานชายจะร้ายกาจถึงปานนี้นายขุนทองขยับปากจะพูดแต่ท่านรีบห้ามว่าไม่ต้องพูดอะไรทั้งสิ้นรีบไปตามที่ข้าสั่ง นมวัยยอจึงเดินตุปัด ต, ตุปองออกไปข้าต้องขอโทษเองด้วยนะส้มปล่อยที่คนของข้าแสดงกิริยาไม่ดีกับเองอย่าถือสามันเลยมันเป็นเด็กมีปัญหาท่านขอโทษแทนหลานเด็กเดึกอะไรกันโตยังกะวัวกบควายหลวงพ่ออบรมมันยังไงถึงได้เป็นอย่างนี้นางสาวส้มปล่อย ถือโอกาสตำหนิติเตียนทั้งนายขุนทองและท่านพระครูแต่กลับลืมตำหนิตัวเองข้าก็อบรมมันอย่างดีนั่นแหละแต่เพราะมันไม่เชื่อฟังมันถึงได้เป็นอย่างนี้เองก็เหมือนกันถ้าเชื่อฟังข้าก็จะไม่เป็นอย่างที่เป็นอยู่นี่หรอกท่านถือโอกาสเล่นงานหล่อนบ้างคราวนี้หญิงสาวเถียงไม่ออก เจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงจึงพูดต่ออีกว่าที่ข้าพูดมาแล้วและกาลังจะพูดต่อไปนี้นั้นข้าไม่ได้เจตนาจะประจานเองแต่ที่ต้องพูดเพราะมันเกี่ยวกับการรักษาโรคที่เองเป็นอยู่พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ว่าทุกจะดับได้ก็ต้องรู้สาเหตุของทุกขฉะนั้นเองจำเป็นจะต้องรู้สาเหตุของทุกที่เองได้รับอยู่ขณะนี้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 ระหว่างที่ข่าพูดขอให้ฟังอย่างเดียวท่านวางเงื่อนไขเข้าใจจากนิมนต์หลวงพ่อพูดจังเห็นว่าจะเป็นประโยชน์กับตัวหล่อนเองนางสาวส้มปล่อยจึงอารมณ์ดีขึ้นท่านพระครูจึงเล่า ว, ว่าพ่อเองหายไปก่อนใช่ไหมบอกจะไปหางานทำที่จังหวัดลำปางแล้วก็หายเงียบไป ไม่ส่งข่าวคราวให้ทั้งบ้านรู้รุ่งขึ้นอีกปีหนึ่งแม่กับพี่ชายเองก็บอกว่าจะไปตามหาพ่อเองแล้วก็หายเงียบไปอีกแล้วมาสองปีที่แล้วพี่สาวกับน้องชายเองก็ทิ้งเองไว้คนเดียวแล้วก็พากันไปตามหาแม่กับพ่อของเองพอเองอยู่คนเดียวก็คิดมากเมื่อคิดมากก็เครียดมากเมื่อเครียดหนักๆเข้า มะเรงก็เลยเล่นงานเองนี่แหละผลกรรมที่เองก่อไว้กับลูกมา้าไปพรากลูกพรากแม่มันแล้วก็ทำให้มันตายอย่างทรมานกี่ครั้งต่อกี่ครั้งที่เองเอามันมาทิ้งจำได้หรือเปล่าว่ากี่ครั้งท่านถามจำเลยซึ่งนั่งนิ่งเหมือนรูปปัน้นจะไม่ได้จะลงพ่อรู้แต่ว่าอีด่างอีเขียวออกลูกทีไร แม่ก็ให้ฉันเอามันมาทิ้งทุกทีฉันก็นึกไม่ถึงว่าเวนกรรมมันจะเล่นงานฉันถึงปานนี้นี่ถ้าเชื่อหลวงพ่อเสียแต่ตอนนั้นก็คงไม่เป็นอย่างนี้ใช่ไหมจ๊ะหลอนเพิ่งสํานึกผิดเอาเถอะเอาเถอไหนๆเรื่องมันก็ผ่านไปแล้วเมื่อเองก่อกรรมก็ต้องรับผลของมันไม่มีใครรับแทนเองได้รู้อย่างนี้แล้วก็ต้องอดทน คิดเสวะใช้เวรทิฏธรรมใช้กรรมทิฏกอใช้หมดเมื่อไรเองก็จะหายนี่โยมเข้ามาใช้เวรใช้กรรมแบบเดียวกับเองนั่นแหละท่านหมายถึงอาจารย์จิตลุงทำคำอะไรไว้หรอจ๊ะหล่อนหันไปพูดดีกับบุรุษสงวัวเป็นการขอลุแก่โทษลุงยังนึกไม่ออกเลยหนูหลวงพ่อท่านก็ไม่ยอมบอกลุงเหมือนอย่างที่บอกหนู บุรุษวัยหกสิบตอบเขาเองก็อยากจะรู้ว่าทำกรรมอะไรไว้ในกรณีของโยมอาตมายังไม่บอกต้องให้รู้เองถึงจะซึ้งใจเอาเถอะภายในเจ็ดวันนี้ถ้าโยมปฏิบัติอย่างเคร่งครัดก็คงนึกได้จะเอาวาดวัดป่ามาม่วงพูดให้กำลังใจหากไม่บอกในสิ่งที่เขาอยากรู้เอาละ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 ให้ห่วงตัวเองก่อนทิ้งไว้นั่นแหละใครเขาอยากได้อะไรก็ให้เขาไปนึกว่าใช้นี่แต่เชื่อข้าสักอย่างนึงว่าถ้าเองไม่เคยไปลักไปขโมยใครเขาไว้ก็รับรองว่าไม่มีใครเขามาลักขโมยของเองถ้าอย่างนั้นฉันจะกลับไปเอาเสื้อผ้าจะเก็บข้าวเก็บของใส่เรือนไว้ก่อนจะได้ไหมจ๊ะเย็นๆค่อยมาหล่อนขออนุญาต ตามใจเองก็แล้วกันจะไปก็ได้หลอนกราบท่านเจ้าของกุฏิสามครั้งและยกมือไหว้อาจารย์ชิดหนึ่งครั้งครั้นห่างรัศมีกุฏิออกไปความเจ็บปวดกลับทวีความรุนแรงขึ้นจึงรีบเดินย้อนกลับมารายงานว่าโอ้ยหลวงพ่อจ้าปวดเหลือเกินเมื่อตกี้รู้สึกข้อ ย, ยังชั่วพอลุกออกไปกลับปวดเหมือนเดิมอีกหลวงพ่อช่วยฉันด้วย หล่อนออนวอนแม้ไม่ได้ร้องไห้นั่นแหละเอ็งกำลังใช้กรรมละถ้ายิงเอ็งปฏิบัติกรรมฐานจะยิ่งปวดมากกว่านี้หน้าที่ของเอ็งก็คือต้องทนให้ได้โอ้ยแค่นี้หนูก็แย่ยอยู่แล้วถ้าปวดมากกว่านี้ ฉันขอตายดีกว่าตามใจถ้าเองอยากจะเอาอย่างนั้นก็ตามใจแต่ข้าขอบอกสิก่อนนะว่าถึงเองจะตายก็ใช่ว่าเองจะพ้นทุกข์อาจจะทุกข์มากกว่าตอนเป็นด้วยซ้าจะทุกอย่างไงละหลวงพ่อตายแล้วก็แล้วหมดเวรหมดกรรมกันไปหญิงสาวพูดด้วยมิจฉาทิฏฐิ ถ้ามันเป็นอย่างที่เองว่าก็ดีนะสิแต่ที่นี่มันไม่เป็นอย่างนั้นเพราะคนเราไม่ได้เกิดหนเดียวตายหนเดียวอย่างที่พวกวัตถุนิยมเขาเชื่อกันถ้าเป็นอย่างนั้นจริงยายเอิ่งก็คงไม่มาสร้างกุฏิกรรมฐานให้วัดนี้เองเห็นหรือเปล่ากุฏิกรรมฐานที่อยู่หน้าโบสถ์นั่นนะ่ะยายสอิ่งเข้ามาสร้าง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 ก็มีอันต้องเลือมตาขึ้นอีกครั้งด้วยอยากจะรู้เรื่องเขาถามท่านเจ้าของกุฏิว่าสร้างนานหรือยังครับก่อเจสิบปีเขานี่แล้วแกมาเมื่อปี2500หาโยมเชื่อไหมแกบอกโยมมาทูดเขาสั่งมาว่าให้สร้างกุฏิกรรมฐานหนึ่งหลังด้วยเงินหนึ่งช่างและให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งวัน อาตมาก็คิดว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงพอดีตอนแกมาเล่าช่างไม้เขาก็ยังอยู่เพราะกําลังซ่อมโบดหลังเก่าแล้วก็มีเรือนหลังหนึ่งที่ชาวบ้านเขารือ้อมาถวายวัดพอพวกชาวบ้านรู้เรื่องของนางเสิ่งก็เฮโลกันมาช่วยคนละไม้คนละมือก็เลยเสร็จก่อนพระอาทิตย์ตก แล้วก็หมดเงินไปหนึ่งช่างพอดิบพอดีเป็นเรื่องมหัศจรรย์มากอาตมาเคยเล่าให้ญาติโยมฟังหลายครั้งแล้วกรุณาเล่าอีกสักครั้งได้ไหมครับผมอยากทราบว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรกรุณาเล่าอีกครั้งได้ไหมครับผมอยากทราบว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรและหากมีโอกาสผมจะได้นำไปเล่าให้ลูกหลานญาติมิตรฟัง เพื่อเป็นข้อเตือนใจไม่ให้ทำความชั่วแม้โยมอ้างเหตุผลหน้าฟังอาจตมาเห็นจะต้องเล่าอีกรอบหนึ่งซิแล้วเองละ่ะอยากฟังหรือเปล่าท่านถามนางสาวส้มป่อยอยากจ้ะนิมนต์หลวงพ่อเล่าเถอจ้ะหญิงสาวตอบรู้สึกว่าความเจ็บปวดทุลากรงเมื่อได้อยู่ใกล้ท่านเห็นคนทั้งสองอยากฟัง ท่านพระครูจึงเล่าว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นมาปี 2,500 หาอยเล่าย่อๆนะเรื่องมันยาวถ้าเล่าละเอียดวันนี้ทั้งวันก็ไม่จบท่านทำความตกลงกับคนฟังและจึงเริ่มต้นเล่าว่าวันนั้นเป็นวันพระญาติโยมเขาก็มาทำบุญที่าลาการประเรียนอาตมาก็มองไปเห็นลุงแก่ๆคนหนึ่งมากับผู้หญิงสองคน คนหนึ่งอายุไล่เลี่ยกับแกอีกคนหนึ่งเป็นสาวรุ่นรุ่นอัตมาก็คิดว่าตากับยายพาหลานมาทำบุญเขาก็พากันมาหาอัตมาลุงแก่ๆคนนั้นก็แนะนำตัวว่าเขาชื่อในปุ่นมาจากอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ผู้หญิงสองคนที่มาด้วยเป็นเมียกแกคนหนึ่งอายุเจบสองปี เป็นเมียคนที่สองส่วนเมียคนแรกอายุสิบห้าปีตัวแกนั้นอายุเจ็ดสิบห้าปีพวกญาติโยมได้ยินก็พากันหัวเราะนึกว่าแกเป็นโรคประสาทหรือไม่ก็แกจนหลงอัตมาเองก็คิดอย่างนั้นแกก็ยืนยันว่าเรื่องที่เล่ามานั้นอะเป็นความจริงผู้หญิงคนที่เป็นเมียคนแรกนั้นตายไปแล้ว และกลับชาติมาเกิดเป็นเด็กสาวอายุสิบ้าคนนี้และแกก็ให้เมียคนแรกเล่าให้ฟังแม่หนูคนนั้นแกก็เล่าว่าเมื่อชาติที่แล้วแกเป็นเมียตะปุ่นแล้วก็คลอดลูกตายที่โรงนาไปตกนรกมาหลายปีช่วงเวลาที่อยู่ในนรกนั้นนหะตะปุ่นสามีแกได้บวชแล้วก็จเจริญกรรมฐานอุทิศ ส, ส่วนกุศลไปให้ โยมาบาลก็เลยให้กลับมารับใช้ตะปุนแล้วก็ให้สร้างกุฏิกรรมฐานถวายวัดหนึ่งหลังด้วยเงินหนึ่งช่างและใช้เวลาหนึ่งวันนอกจากนี้ก็ยังให้ถือศีลแปดทุกวันพระอีกด้วยแกเล่าหรือเปล่าครับว่าเหตุใดต้องไปตกนรกอาจารย์ชิดถามเล่าสิแกเล่าว่าตอนที่มีชีวิตอยู่ แกกอกรรมทาชั่วไวมากไปอยู่โรงนาก็ให้ลูกจ้างไปเที่ยวขโมยข้าวในลานของคนอื่นนอกจากนี้ก็ยังขโมยทองของญาติปุ่นแล้วก็โยนความผิดไปให้ล้านชายทำให้ล้านชายถูกตีจนหัวแตกแกเป็นคนโหดร้ายใจอำมหิตแล้วก็ไม่เคยทำบุญทำทานเลยสวดมนต์ก็ไม่เคย โยโศภกาวาก็ว่าไม่เป็นพอแกตายไปก็เลยไปตกนรกอยู่หลายปีเมื่อได้รับส่วนกุศลที่ตบปุณ่งไปให้ก็เลยได้รับอนุญาตให้กลับมาแก้ตัวแกบอกว่าในเมืองนรกนั้นนะมีสอนกรรมฐานทุกวันพระสอนให้สวดมนต์ด้วยตอนเป็นนางสะอิ่งแกสวดมนต์ไม่ได้เลยแต่พอมาเกิดใหม่สวดได้หมดเพราะเคยสวดตอนอยู่เมืองนรก อาตมาลองให้สวดโอ้โหสวดได้แจ๋วไปเลยพวกญาติโยมก็พากันประหลาดใจแกว่าในเมืองนรกมีการลงโทษต่างๆนานาแต่จะหยุดลงโทษในวันโกนวันพระเพื่อให้พวกสัตว์นรกได้สวดมนต์จเจริญกรรมฐานและที่สำคัญก็คือพระก็ไปตกนรกด้วยอาตมากอถามว่า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 อาจารย์ชิตวิจาร์ก็ถูกของโยมอาตมาเห็นด้วยเพราะคนที่เป็นพระจริงๆนั้นเขาจะไม่ไปตกนรกและที่อาตมาเชื่อในที่แม่หนูเล่าก็เพราะเคยรู้มาก่อนแล้วจากตาเหลงห้วยรายนี้หนีจากนรกมาเข้าใยเผาเพื่อจะขอส่วนบุญจากหล้านสาว งั้นหลวงพ่อเล่าเรื่องตะเหลงหวยด้วยนะจ๊ะนางสาวส้มปล่อยพูดขึ้นรู้สึกเพลิดเพลินเมื่อฟังท่านเล่าเอาไว้วันหลังคือเล่าวันนี้ประเดี๋ยววันหลังไม่มีอะไรจะเล่าหลวงพ่อยังเล่าเรื่องยายไสอิ่งไม่จบเลยครับอาจารย์ชิดทวงอ้าวยังไม่จบอีกรึงั้นจะเล่าต่อ คืออาตมาเชื่อ ว, ว่ายายเสิ่งแกพูดความจริงเพราะตรงกับตาเหลงห้วยเล่าให้อาตมาฟังทุกอย่างแล้วอาตมาก็ลองทดสอบโดยการถามว่านารกของศาสนาพุทธเหมือนกับของศาสน า, าอื่นหรือเปล่าเป็นคนละนรกหรือว่าเป็นนรกเดียวกันยายเสิ่งตอบตรงกับตาแหลงห้วยอีกว่าไม่มีการแบ่งาศาสนา ไม่ว่าใครจะนับถือศาสนาอะไรถ้าทำชั่วก็ไปตกงรกเดียวกันหมดอันนี้เป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลมากทีเดียวหรือโยมว่ายังไงท่านถามบุรุษวัยหกสิบครับผมเห็นด้วยครับอาจารย์ชิดคล้อยตาม นั่นต้องอย่างนั้นคืนไม่เห็นด้วยอาตมาก็เลิกเล่าท่านถือโอกาสเล่นตัวฉันก็เห็นด้วยจ่ะนางสาวส้มปล่อยรีบบอกเพราะกลัวท่านจะไม่เล่าอ๋อเองก็เห็นด้วยเหมือนกันหรือส้มปล่อยท่านถามยิ้มยิ้มแล้วก็เล่าต่อไปว่าแม่หนูที่เป็นยายเซอิ้นกลับมาเกิดแกก็เล่าให้อาตมาฟัง พวกญาติโยมก็บพลอยเด้ฟังไปด้วยอัตมาก็เลยบอกญาติโยมว่าเรื่องของแม่หนูที่เล่านี้ต้องเป็นความจริงเพราะเหมือนกับที่ตาเลงห้วยเล่าให้อัตมาฟังทุกประการนอกจากนั้นตาปุ่นผู้เป็นสามีก็ยังเล่าอีกว่าทีแรกแกก็ไม่เชื่อแต่นางะสิ้งก็เล่าให้แกฟังทุกอย่างตั้งแต่แต่งงานกันมา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 ตาปุ่นก็เลยพาลูกชายสองคนที่เป็นลูกนางสอิ้งไปเอาจอบไปด้วยขุดไปขุดมาปรากฏว่าพบทองจริงๆตะปุ่นก็เลยเชื่อลูกชายสองคนซึ่งอายุเกือบเกือบห้าสิบแล้วก็เลยเชื่อว่าผู้หญิงอายุสิบห้าเนี่ยเป็นแม่สอิ้งแม่ของแกก็เลยเชื่อวว่าผู้หญิงอายุสิบห้านี้ เป็นแม่ะอิ่งแม่ของตนที่กลับชาติมาเกิดจริงๆนางะอิ่งยังเล่าอีกว่าย ม, มาบาลเขาให้มารับใช้ตะปุลห้าปีพออายุยี่สิบก็จะไปแต่ไม่ได้ไปนรกแล้วจะไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาววดึงพวกเจ้าบ้านที่ฟังอยู่ก็รับอาสาจะช่วยสร้างกุฏิวันนั้นอาตมาก็ให้ตะปุลกับเมียเก่า แล้วก็เมียใหม่ของแกนอนที่ศาลาการประเรียนพอรุ่งเช้าชาวบ้านก็พากันมาสร้างกุฏิกรรมฐานตกเย็นก็สร้างเสร็จพอดีหมดเงินไป8ปสบบาทตามที่โยมาบาลสั่งมามันก็น่าแปลกที่นี่อาตมาก็เป็นคนชอบพิสูตร์พอครบห้าปีอาตมาก็เดินทางไปยังบ้านตะปุนไปลำบากมาก เพราะสมัยนั้นการคมานาคมยังไม่จเจริญเหมือนเดี๋ยวนี้อาตมาก็ต้องเดินเท้าหนึ่งวันเต็มๆจากตัวจังหวัดไปบ้านแกพอไปถึงแม่หนูนั่นก็เอาน้ํามาถวายแล้วก็ก้มลงกราบอาตมาก้มแล้วก็ฟุบอยู่ตรงนั้นปรากฏว่าไปแล้วไปวันที่อาตมาไปพิสูจน์พอดีเมียใหม่ของตะปุน ซึ่งตอนอาตมาไปอายุ77เล่าให้อาตมาฟังว่าพอสร้างกุฏิแล้วแม่หนูคนนั้นก็ตามมาอยู่กับตะปุลซึ่งหลังจากนั้นไม่นานก็ป่วยเป็นอมภาตลุกไปไหนมาไหนไม่ได้แม่หนูนี่ก็คอยป้อนข้าวป้อนน้ำเช็ดอุจจาระปัสสาวะให้โดยไม่ได้รังเกียจก็ปฏิบัติอยู่ห้าปีเต็ม ดังที่รับปากยมาบาลมาตาปุ่นก็นอนพะงาบพะงาบ พ, พูดไม่ได้อัตมาก็ถามว่าจำอัตมาได้ไหมแกก็พยักหนะ้อาอัตมาปลอบใจว่าไม่ต้องเสียใจนะแม่เซียงเข้าไปดีแกก็เข้าใจและก็ทําใจได้เพราะเคยบวชปฏิบัติกรรมฐานมาแล้วตกลงยายเซียงก็ตายก่อนตะปุ่น ทั้งสองชาติคือชาติที่เป็นนางเอิยงแล้วก็ชาติที่เป็นแม่หนูอายุส5ห้าเอาละจบเรื่องนางเอิยงแล้วได้เวลาเพนพอดีโยมรับประทานข้าวเสีก่อนอาหารสาหรับนั่นแหละส่วนเองเดินไปกินที่โรงครัวก็แล้วกันท่านบอกนางสาวส้มปล่อยไม่เป็นไรจ้กฉันกลับไปกินที่บ้านได้หล่อนว่า งันกอดตามใจเองนางสาวส้มปล่อยจึงกราบท่านสามครั้งก่อนลุกออกไปก็โอดครวญว่าปวดอีกแล้วพอรู้ว่าจะไปมันก็เริ่มปวดเลยเชียวทําไมมันถึงต้องปวดด้วยละจ้าหลวงพ่อกอจะไม่ให้ปวดได้ยังไงละ่ะที่ข้าเห็นนะ่ะนะข้าเห็นนอนตัวใหญ่เท่านิ้วก้อยกําลังพากันดูดกินเลือด กินน้องเองอย่างอร็ดอร่อยอยู่นั่นท่านตอบเพราะเห็นด้วยเห็นหนอมันเข้าไปได้ยังไงละจ๊ะข้าก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะไม่เห็นตอนมันเข้านี่แหละเขาเรียกว่าโรคเวนโรคกรรมบางคนก็ถูกน้อนกินตั้งแต่ยังไม่ทันตายบางคนตายปุ๊บก็ถูกน้อนกินปับ๊บใครเป็นอย่างนี้แล้วก็ รู้ได้ทันทีว่าเป็นคนบาปอันนี้ข่าววิจัยมาแล้วไม่ได้พูดสุ่ม 4, สีุ่่มห้าแต่ประการใดเอาเถอะในเมื่อปวดเองก็ท่องไว้ในใจว่าปวดหนอปวดหนอก็แล้วกันท่านแนะนำท่องแล้วจะหายปวดหรอจ้าไม่หายหรอกแต่ถ้าเองท่องมากๆจนเพลิน ก็จะทำให้ลืมความปวดได้ชั่วครั้งชั่วคราวก็ยังดีใช่ไหมนี่แหละเอ็นกำลังใช้กรรมละ่ะต้องอดทนให้มากๆเข้าใจหรือยังเข้าใจแล้วจะ้ะถ้า ง, งั้นฉันไปก่อนละเดี๋ยวจะมาใหม่พูดจบก็ลุกออกมาและเดินท่องปวดหนอปวดนอไปตลอดทาง